สวัสดีครับครับท่านผู้ฟังดูยังแชนแนลที่เคารพวันนี้ดู มีคนเคยถามเสมอว่าคนเคยถามเสมอว่าทำไมพระกับพวกผีเราๆไม่ค่อยได้เจอกันเท่าใดนัก เมื่อหลายปีก่อนมีข่าวลือเรื่องผีผีเข้ามาอาศัย มาขอแบ่งบุญจากพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่าน เรื่องผีที่วัดบวรผู้เขียนขอเก็บเข้าลิ้นชักไว้ก่อนนะ และสาวท้องรวมทั้งตนอื่นในป่าช้าแห่กันมาเปิดมุ้งกลดของท่าน พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบน เป็นพุทธสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงคิดหาสำนักปฏิบัติ หากจะอาศัยจําพรรษาและเห็นสิ่งไม่ค่อยดีงามในวัด ให้รู้แจ้งป่าแสนงามจริงในธรรมเป็นลำดับกระทั่งการเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายสงบสงัดพระสงฆ์ที่จำพรรษา ท่านได้กรุณาเทิดให้บรรดาญาติโยมของท่านฟังเรื่องผุดผีอันเป็นความปรารถนา เป็นมารร้ายตัวฉกาจขวางทางธรรมทุกอย่างครั้งนั้นมันจะเป็น จึงได้ถามเกี่ยวกับการตายของผู้เป็นภรรยาผิดๆดื่มยาพิษฆ่า คิดไม่ถึงว่าเขาจะใจน้อยถึงขนาดตัดสินใจคว้ายาโพริดอนมากรอกปากตนเองต่อหน้าต่อตาผมเข้าปัดขวดยากระเด็นออกไปแต่เธอได้กินเข้าไปแล้ว 3 อึกกลิ่นนี้มันแรงไม่เธอก็ล้มทั้งยืนนอนชักดิ้นชักงอลาย ภรรยาของผมก็ไม่อาจจะทนความเจ็บปวดแสนทรมานนั้นได้ใน ลุ๊มพอชาวได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด์ก็ได้เกิดสรดสังเวทใจท drengอยู่แทด blacks ไม่น่าจะคิดสั้นด้วยอารมณ์เชี่ววุกจิงขาดสะติขาดความย้างคิดคนเรานั้นกว่าจะเกิดเป็นคนมาได้ไม่ใช่ของง่ายต้องทำบุลสรร้างกุสลกี่พบกี่ชาติเมือมาเป็นคนเป็นมนุษยถือได้ว่ ต้องชดใช้กรรมในโลกของวิญญาณอย่างไม่มีกำหนด วิญญาณของคนตายธรรมดาก็หมายถึงอาทิเข้า ร่างกายอ่อนแอเมื่อไม่ได้ชีวิตแสดงฤทธิ์อํานาจของตนขอเอาชีวิต ด้วยไม่เลือกว่าจะเป็นใครเนื่องจากความแค้น ย่อมมีความอาลัยอวรถึงวันเก่าๆที่อยู่ร่วม ทนเพียงเท่านี้เวลามาอยู่กับเราเพียงเท่านี้หลัง พอมาถึงวันที่สองสบที่ไม่ได้เฉียตยาหกันเน่าก็เริ่มขึ้นเอิดน้ำเหลืองไหลย้อยส่งปลิ่นเม้นหึ่งไปทั่วบริเวณสาลาตั้งแต่ตอนเช้าแต่ยาดทางจังหวัดปธุมธานีก็ยังเดินทางมาไม่ถึงบันดาพระสงค์และสามเนยน ตามประเพณีเมื่อจัดการเผาศพหญิงท้องแก่กินก็พากันกลับบ้านที่จังหวัดปทุมธานี ไอ้เป็นอาหารของปู่ปลาต่อไปเมื่อทุกอย่างได้ผ่าน มีเกิดมีแก่มีดังนั้นสิ่งที่มุ่งหวังของท่านเวลา และพวกแมลงเข้าไปรบกวนเวลาท่านนั่งเจริญสมาธิหลวง ขณะที่ท่านกําลังเผลอมหลับท่านมีความรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงมานอนอยู่ข้างคางที่ ที่ท่านจึงลืมตาขึ้นหันไปมองดูหญิงและเด็กมานอนในมุ้งกลดด้วยๆของผู้หญิงมานอน ท่านจึงลุกขึ้นมาเตะโคมแต่ปรากฏว่าไม่โดนอะไรแล้วหญิงคน กระทั่งท่านเห็นว่าได้เวลาอันพอเหมาะพอควรแล้วเลยไปถึงเที่ยงคืนท่านเห็นว่าได้เวลาอันพอ แม่ชีจะเดินตรงมานั้นดูสำรวมเรือบร้อยนุ่งพชาวรู้สึกแปลกใจแญ่แม่ชีมาเดินผ่านกลางคืนดึกเดือนเช่นนี้ท่านพยายามสันเกตเคื่อให้รู้ว่าแม่ชีคนนี้คือใคร ตอนแรกท่านก็คิดว่าแม่ชีแสดงกิริยาทำความเคารพแต่ที่ไหนได้แม่ชีกลับยกชายมุ้งกดทำท่าจะมุดเข้าไปนอน ร่างของแม่ชีก็ไหววับไปพร้อมๆหลวงปู่ชลลุกขึ้นมาอีกท่าน แล้วก็มาเป็นผีแม้ชีไม่เข้าใจว่าผี หรือเกิดบ้าราคะตัณหาขึ้นมาจึงไปรบกวนหลวง กำลังเพ็ญพ่านคนฝันเวลานี้จะเป็นฝันที่แม่นยำมากเพราะ ้เพเชวทนมองผ่านมุกรดของท่านออกไปท่านมองเห็นร่างร่างหนึ่งกําลังเดินตรงมาที่กุติขนําของท่านครล่าวนี้ท่านรู้ลว่าผู้ที่กําลังเดินมานี้คือวิญญาณหรือผีเพราะเท้าลอยอยู่เหนือพื้นดินจากรูปร่างลักษณะของผีตนใหม่นี้เป็นวิญญาณผีสาววัยรุ่นแต่งกลายแบบชาวเขาทางผ่ากเหนือท่านเห็นหน้าได้ชัดพอประมาณท่านเชื่อว่าเป็นสาวชาวเขา มีความสวยอีกคนหนึ่งหลวงพ่ออดชาวเขามาฝังอยู่ที่นี่ด้วยหรือเนื่องจากคนตายที่นํามา วิญญาณของสาวชาวเขามาปรากฏตัวให้เห็นก็น่าจะ ก็เปิดมงกุฎของท่านทำท่าจะมุดเข้าไปหลวงพ่อเฒ่าใน เพราะกลัวผีสาวชาวเขาจะถือโอกาสเข้ามากอดปล้ำกระทําไม่ดีกับท่าน เหมือนนั้นกันมารบกวนท่านไม่หยุดยั้งนึกเช่นทุกคืนที่เคยปฏิบัติ ท่านจึงลุกขึ้นผูกกลดและมุ้งกลดใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งต่อหน้าพระบูชาซึ่งอยู่บนหัวนอนจากนั้นท่านก็ได้ตั่งสมาธิสำรวมจิตแนวแน่น้อมไปถึงพระรัฒนัตรัยทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงแล้วสวดมนดังที่เคยปฏิบัติมาจากนั้นก็แพ้เมตตาออกไปยังไม กระทั่งหลับสนิทไม่มีผีสาวตนบริเวณบ้านของคุณก็มีแต่จะเป็นดวง มีเมตตาก็จะกลายเป็นผีดูร้ายช่วยเหลือผู้คนแต่ที่สร้างกรรมชั่วก่อนตายก็ และนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อเชาชาครธโมพัดเชิญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานอยู่อย่างด้วยนะครับหรือหากท่านมีเรื่องราวตำนานอื่นๆที่อยากจะฟัง